ขุทธากนิกายข้อสังเกตบางประการและจุดที่ควรเน้นข้อที่หนึ่งขุทธากนิกายนี้นักปราชญ์บางท่านตั้งข้อสังเกตว่าถูกเพิ่มเติมเข้ามาภายหลังประสุตตันตปิฎกเดิมแบ่งเป็นสีนิกายเท่านั้นเหตุผลข้อหนึ่งก็คือประไตรปิฎกของฝ่ายสาวกยานอื่นๆมีเพียงสีนิกายซึ่งเขาเรียกกันว่าอาคมสี ได้แก่อิระคาคมมัทยามคมสังยุตตาคมและเอกตราคมไม่มีกุท ธ, ธนิกายจะมีก็เฉพาะนิกายสระวาสติวาทินเท่านั้นที่มีกสุทธาราคมแต่เนื้อหาก็ไม่เหมือนกับขุตกะนิกายของเทราวาดมีบางเรื่องบางข้อเท่านั้นที่ตรงกันนี่เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้น เป็นเรื่องที่ผู้รู้จะพึงศึกษาวิเคราะห์ต่อไปข้อสังเกตข้อที่สองพึงกำหนดว่าธรรมบทกับอัตกถาธรรมบทหรือที่เรียกชื่อเต็มว่าธรรมปฏทัตตกถฐานั้นคนละอย่างกันชาวไทยมักเรียกว่าธรรมบทเหมือนกันทำให้สับสนในแง่วิชาการและการอ้างอิง มีข้อพึงสังเกตเรื่องนี้ดังนี้หนึ่งคถาธรรมบทเป็นพุทธวจน ะ, สะแสดงหลักธรรมอันบริสุทธิ์ส่วนอัตถะถาธรรมบทแต่งเสริมความพร้อมทั้งยกนิทานมาประกอบทำให้เข้าใจตัวคถาง่ายขึ้นแต่บางครั้งก็ทำให้ความตัวคาถาเดิมหดหายไปหรือเบี่ยงเบนไปจากจุดมุ่งหมายเดิมยกตัวอย่างเช่น ในคถาบทที่หนึ่งพุทธวจนะตรัสว่าใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถ้าคนเรามีใจชั่วจะทำจะพูดก็พลอยชั่วไปด้วยเพราะพูดชั่วทำชั่วนั้นทุกย่อมตามสนองเขาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยโคเป็นการแสดงหลักธรรมล้วน แต่อัตกถาได้แต่งนิทานเรื่องพระจักขูบานป่วยเป็นโรคตาตาทั้งสองบอดสนิทในที่สุดพระพุทธเจ้าได้เล่าบุพกรรมของเธอว่าชาติก่อนจักขูบาลเป็นหมอรักษาตาของสตรีนางหนึ่งหายแต่สตรีนั้นแกล้งทําเป็นไม่หายจึงเอายาอีกขนานหยอดจนตาเธอบอดสิ่งที่อัตตกถาเน้นมากคือ แนวความคิดเรื่องสังสารวัตกฎแห่งกรรมแง่ข้ามภพข้ามชาติ 2. อ, อัตถคถาได้สะท้อนภาพเกี่ยวกับพุทธจริยาวัดชัดเจนกว่าตัวคถ า, าเมื่ออ่านอัตถคถาธรรมบทจบแล้วจะเกิดมโนภาพชัดเจนเกี่ยวกับบุคลิกของพระองค์เห็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของเราพุทธบริษัทช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติและแก้ปัญหาต่างๆอยู่เสมอลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธองค์กับพระสงฆ์สาวกเป็นแบบพ่อกับลูกมีความเรียบง่ายเป็นกันเองพร้อมที่จะเข้าเฝ้าทูลถามความสงสัยต่างๆได้ตลอดเวลาสาม ในอัตถกถาธรรมบทสะท้อนภาพธรรมสภาซึ่งเรียกว่าอุปทานศาลาแปลกันว่าหอฉันเข้าใจว่าคงใช้เป็นที่ฉันอาหารและสถานที่ฟังธรรมด้วยเวลาเย็นพระจะมาประชุมถกเถียงกันในอุปทานศาลามีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานไปจนถึงหลักธรรมที่ลึกซึง้งแสดงว่าในระยะต้น ที่พระองค์ทรงประกาศศาสนาสาวกทั้งหลายยังไม่เข้าใจหลักธรรมไม่ทั่วถึงกันเช่นพระอรหันต์ฆ่าสัตว์โดยไมย่เจตนาบาปหรือไม่พระอรหันต์ยังมีความรู้สึกในกามรมรรมเหมือนปูตุชนหรือไม่โจรฆ่ามนุษย์เป็นจำนวนมากทำไมบรรลุอรหัดบริณิพนได้ศีลห้าข้อข้อไหนดีกว่ากัน และความสุขอย่างไหนที่ดีที่สุด 4. ความขัดแย้งในหมู่สงฆ์สาวกอัตถกถาธรรมบทบันทึกไว้ค่อนข้างชัดเจนเริ่มตั้งแต่ความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตจนสร้างความแตกแยกขนานใหญ่ในสังฆมณฑลเรื่องนี้นอกจากการแสดงพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาของพระพุทธองค์แล้ว ยังเน้นพระมหากรุณาต่อผู้ปองร้ายเช่นพระเทวทัตได้ชัดเจนด้วยความแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือการทะเลวิวาทของพระสงฆ์เมืองโกสัมพีในเรื่องนี้แสดงให้เห็นบทบาทของอุบาสิกามีส่วนในการพดุงรักษาพระพุทธศาสนาด้วย 5. อัตฉกิาธรรมบท บันทึกวิธีและเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าศึกษายิ่งเช่นพระกระสันอยากศึกซึ่งมีบ่อยครั้งที่สุดแต่ละรูปพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการปลอบประโลมให้พวกเธอกลับยินดีในเพศปรมาจันท ร, ร์แตกต่างกันอย่างไรกรณีภิกษุณีถูกข่มขืนตั้งคันทรงใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไร จึงจะทำให้ความบริสุทธิ์ของภิกษุณีนั้นเป็นที่ยอมรับโดยไม่มีใครกินแหนงแคลงใจภิกษุหลงรูปสตรีหลงรูปพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการอย่างไรตลอดถึงพระภิกษุที่มีภูมิปัญญาตำ่ำหลงหลงลืมลืมทรงทำอย่างไรให้เธอประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมวิธีการเหล่านี้ หาอ่านและศึกษาได้จากอัตกถาธรรมบทนี้กล่าวได้ว่าอัตกถาธรรมบทเป็นจดหมายเหตุบันทึกประวัติพระพุทธศาสนาไว้เกือบจะทุกแง่ทุกมุมที่ชาวพุทธไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง 6. อุปมาอุปไมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อเด่นชัดของธรรมบทโดยเฉพาะในตัวคาถา คำอุปมาอุปไมยสั้นแต่ให้ภาพชัดเจนเข้าใจง่ายเช่นความทุกข์ติดตามคนทำชั่วเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคความสุขติดตามคนทำดีเหมือนเงาตามตัวคิดร้ายคนบริสุทธิ์บาปไม่พ้นตัวเหมือนซัดปุ่นพวนลมฝุ่นจะกลับเข้าหาตัว ชรามรณะไล่ต้อนชีวิตคนเหมือนเด็กเลี้ยงโคต้อนโคไปหากินกิเลสตัณหาไม่ค้างใจพระอระหันเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะคำนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมคนมีราคะกิเลส ต, ติดในรูปเสียงกลิ่นรส เหมือนลูกโคยังไม่หย่านมติดแม่ตัณหาที่ถอนไม่ได้หมดงอกงามได้อีกเหมือนต้นไม้ที่ยังไม่ถอนรากทิ้งคนไม่ประมาททิ้งคนประมาทไว้ห่างไกลเหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้ากแกลบผู้คัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าทําลายตนเองเหมือนกุ๋ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ผลกล้วยค่าต้นกล้วยราคะโทสะโมหะทำให้คนเสียคนเหมือนหญ้าที่ทำให้นาเสียหายความชั่วไม่มีอิทธิพลแก่คนไม่ทำชั่วเหมือนมือไม่มีแผลจับต้องยาผิดได้น้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกติดขายน้อยตัวจะหลุดรอดไปได้ สามัญชนตามระอารหันเหมือนนกบินบนฟ้าตามทันยากทำชั่วและดีทีละเล็กละน้อยก็มีมากเหมือนฝนตกทีละหยาดทีละหยาดก็เต็มตุ่มได้คนชั่วไม่เด่นเหมือนลูกศรที่ยิงเวลากลางคืนคนโง่ไม่รู้รสพระธรรมเหมือนเจวักหรือทัพพีไม่รู้รสแกง ใจคนดิ้นรนด้วยอำนาจกิเลสเหมือนปลาถูกโยนขึ้นบกดิ้นรนหาน้ำบัณฑิตฝึกตนได้เหมือนชาวนาไขาน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างไม้ถากไม้พระอรหันต์หนักแน่นไม่โกรธใครเหมือนแผ่นดินพระอริยสาวกเดิมก็มีกิเลส เหมือนดอกบัวสวยงามก็เกิดจากโคลนตรมร่างกายแตกดับได้เหมือนหม้อดินเหมือนฟองน้ำเหมือนพยับแดดสมัยหนุ่มสาวไม่ตั้งตัวแก่มาก็นั่งซบเศาเหมือนนกกคเรียนจับเจา้าอยู่ริมสระไร้ปลาข้อสังเกตข้อที่สาม นิทานเรื่องตาบอดคลำช้างให้แง่คิดว่าเวลามองอะไรอย่ามองแง่เดียวมุมเดียวผู้ที่เห็นอะไรมุมเดียวและยึดมั่นถือมั่นว่าตนรู้เท่านั้นถูกต้องย่อมนำไปสู่การดูถูกเหยียดหยามคนอื่นและทะลาะวิวาทกันกับคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตนพระพุทธเจา้าทรงเตือนว่าแม้แต่เรื่องศีลเรื่องวัดวัดในที่นี้สะกดด้วยตอเตารอเรือ แม้แต่เรื่องศีลเรื่องวัดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าถือศีลละวัดผิดไปจากจุดหมายของวัดเช่นยึดว่าปฏิบัติอย่างที่ตนทํำนี้เท่านั้นถูกต้องปฏิบัติอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ควรเพราะจะกลายเป็นศีลปัตตาปรามาสได้ข้อสังเกตข้อที่สี่ ในธรรมสูตรพระพุทธเจ้าแสดงสุขธรรมสองข้อคือฮิริและโอตตปะว่าเป็นคุณธรรมสามารถปกครองโลกได้ทั้งโลกถ้าโลกขาดคุณธรรมสองข้อนี้มนุษย์กับสัตว์จะไม่แตกต่างกันสัตว์โลกก็จะไม่มีป้านาพัญญาของอาจารย์หรือพัญญาของครูจาก ส, สัมสนไม่ต่างกับแพะแกะ สุกรสุนักจิ้งจอกเป็นคำพูดที่เห็นภาพชัดเจนดีมากความหมายหนึ่งของคำว่าศาสนาคือการปกครองน่าสังเกตว่ายิ่งปกครองขยายวงกว้างออกไปมากเท่าไหร่คุณธรรมที่ใช้สำหรับการปกครองก็ยิ่งลดจํานวนลงไปเรื่อยๆคือปกครองตนเองให้พึ่งตนเอง ใช้นาฏกัลธรรมสิบประการปกครองประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ใช้ราชธรรมสิบประการหรืออภริหานิยธรรมเจ็ดประการปกครองโลกทั้งโลกใช้สุขธรรมสองประการข้อสังเกตข้อที่หเรื่องนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต มีการถือเอาใจความจากพระสูตรคนละแห่งและมาถกเถียงกันบางท่านกล่าวว่าสอุปะธาที่เสสนิ พ, พานหมายถึงการดับกิเลสได้เป็นขั้นๆยังไม่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงได้แก่การดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีส่วนอนุปาที่เสสนิ พ, พานหมายถึงการดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิง ได้แก่พระอระหันต์ไม่ได้หมายถึงการดับกิเลสที่มีเบญจขันธ์เหลือและการดับกิเลสที่ไม่มีขันธ์เหลือดังที่สอนกันมาแต่โบราณขอให้ศึกษาให้ดีว่าในพระสูตรได้ให้นิยามความหมายไว้ทั้งสองในยะดูได้ที่ทาตุสูตรเล่มที่ยี่สิบสามและเล่มที่ยี่สิบห้า ข้อสังเกตข้อที่หนรกสวรรค์พูดถึงบ่อยมากในพระไตรปิฎกบ่อยซะ จ, จนไม่น่าคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือพูดผ่านๆเท่านั้นแต่เป็นเรื่องว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องนี้จริงยืนยันเรื่องนี้จริงแต่การพูดถึงนรกสวรรค์ของพระองค์เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์ในแง่ที่ว่าพระองค์ไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจน สมกับที่พูดถึงบ่อยข้อความที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประสูตร์ก็คือหลังจากแตกกายทำลายขันแล้วเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ประโยคน์นี้ถึงผู้ที่ทำดีอีกประโยค์คือหลังจากแตกกายทำลายขันแล้วเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกประโยคนี้ หมายถึงผู้ทำชั่วนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนมีสภาพอย่างไรไม่พูดถึงจนทำให้คิดว่านารกสวรรค์นี้เป็นสภาวะทางจิตมากกว่านารกสวรรค์ที่เป็นกายภาพแต่จะสรุปอย่างนี้โดยตรงก็ไม่ได้เพราะมีบางสูตรที่กล่าวถึงนรกสวรรค์พอที่จะให้คิดว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างทางกายภาพ เช่นเล่มที่24พูดถึงพระโกกาลิกะสมุนพระเทวทัตตายไปตกปทุมนรกเมื่อพระอุณถามว่าอายุของสัตว์ในปทุมนรกนี้ยาวนานเท่าไหร่ตรัสว่ายาวกว่านรกขุมอื่นๆ9ก้าขุมแต่นานเท่าไหร่สุดจะนับได้ด้วยการคำนวณของมนุษย์แล้วให้ชื่อนรกไว้ทั้งหมดสิบขุม เล่มที่ส4กล่าวถึงนายนิระยะบาลทำโทษสัตว์นรกเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยบอกว่านรกมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบข้างบนครอบด้วยแผ่นเหล็กพื้นเป็นเหล็กลุกเป็นไฟกว้างยาวร้อยโย์เล่มที่28ระบุชื่อนรกเพิ่มอีกแปดขุม เล่มนี้ให้รายละเอียดมากกว่าในที่อื่นคือระบุคนทำบาปชนิดไหนจะได้รับโทษทันในนรกชนิดไหนเล่มที่สิบสี่เล่าว่าคนตายจะถูกย ม, มาบาลถามว่าเวลาเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายแล้วคิดว่าวันหนึ่งตนก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วคิดทำบุญหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่ ก็จะถูกทําโทษต่างๆในนรกจากพระสูตรต่างๆที่ยกมาพอจะประมวลได้ว่านรกสวรรค์น่าจะมีอยู่จริงในแง่กายภาพแต่ก็ไม่ชี้ชัดว่ามันตั้งอยู่ณที่ใดส่วนในแง่นามธรรมหรือสภาวะทางจิตนั้นมีปรากฏในเล่มที่สิบพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้พระดูว่า ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็ให้ดูด้วยลิชวีนี่แหละเท่ากับบอกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างรูหราฟุ่มเฟือยมีความสุขเต็มที่เช่นพวกเจ้าลิชวีนั้นก็คือสภาวะที่เรียกว่าชาวสวรรค์หรือผู้เกิดในสวรรค์ข้อความนี้จะชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องตีความในเล่มที่สิบแปด พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเห็นนรกชื่อฉัพัสายตานิกกะกับสวรรค์ชื่อฉัพัสายตานิก ะ, กรร ะ, กะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเรานี่แหละคือนรกและสวรรค์ขณะใดที่เห็นรูปได้ยินเสียงอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าเพลิดเพลินเจริญใจก็เรียกว่าขึ้นสวรรค์ ขณะใดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและมโนภาพที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจมีแต่ความทุกข์ร้อนใจขณะนั้นเรียกว่าตกนรกสรุปนรกสวรรค์ในพระไตรปิฎกสามารถตีความได้ทั้งสองในคือนรกสวรรค์ทางกายภาพและนรกสวรรค์ ที่เป็นสภาวะทางจิตโดยในนี้จะพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ถูกหรือพูดว่าสวรรค์นรกเป็นภพภูมิหนึ่งโดยเฉพาะก็ถูกเช่นกันถ้ายังไม่เห็นด้วยตนเองก็ไม่ต้องเถียงกันเมื่อใดประจักษ์ด้วยยานอันเป็นปัจจิตตังแล้วปัญหาจะหมดไปเองการทะเลาะทุ่มเถียงกันก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติ